วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ส2มกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นวันที่ท่านสาธุชนมีความตั้งใจที่จะมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมาศึกษามาเรียนรู้ คำสั่งคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นํำมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนเองธรรมะที่ท่านจะได้ยินได้ฟังกันในวันนี้ก็คือเรื่องของการฟังธรรมที่ถูกต้องที่ให้ผลให้ประโยชน์อย่างสูงสุดว่าจะต้องฟังอย่างไรการฟังธรรมนี้ ถ้าจะให้เกิดผลให้เกิดประโยชน์ผู้ฟังต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบคือกายก็จะต้องนั่งอยู่เฉยๆนั่งอยู่นิ่งๆไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการกระทำอะไรต่างๆเรียกว่าสงบกายวาจาก็ต้องสงบคือไม่พูดไม่คุยกันนั่งนิ่งๆ เรียกว่าสงบวาจาใจก็ต้องสงบคือใจจะต้องไม่คิดปรุงแต่งถึงเรื่องนั้นถึงเรื่องนี้เรื่องที่ผ่านมาแล้วในอดีตหรือเรื่องที่ยังไม่มาถึงในอนาคตให้ใจตั้งอยู่ในปัจจุบันให้จดจ่ออยู่กับเสียงธรรมที่เข้ามาทางหูนี่เรียกว่า การฟังธรรมด้วยกายวาจาใจที่สงบความสงบกายสงบวาจาเรียกว่าศีลการสงบใจเรียกว่าสติหรือสมาธิการฟังธรรมขณะที่ฟังใจต้องมีสติมีสมาธิไม่คิดเรื่องราวต่างๆ แม้กระทั่งคําบริกรรมพุทโธพุทโธก็ไม่ต้องใช้หรือการดูลมหายใจเข้าออกก็ไม่ต้องดูให้ใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์แทนเพราะถ้าใช้ทั้งพุทโธใช้ทั้งการฟังธรรมใช้ทั้งการดูลมมันจะทําให้จิตต้องวุ่นวายไปกับการกระทําต่างๆเหล่านี้เราต้องการให้จิตนิ่งสงบให้เกิดสัมมาทิฏฐิเกิดปัญญา จิตต้องอยู่กับเรื่องเดียวถ้าอยากจะใช้พุทธโธก็รอให้เวลาที่เราไม่ได้ฟังธรรมถ้าอยากจะดูลมหายใจก็เช่นเดียวกันไว้รอให้ตอนที่เราไม่ได้ฟังธรรมแล้วค่อยดูลมหายใจแทนหรือบริกรรมพุทธโธพุทธโธแทนแต่เวลาที่เราฟังธรรมขณะนี้เราควรจะเอาเสียงธรรมเป็นอารมณ์แทน ให้ใจมีสติจดจอ่ออยู่กับเสียงธรรมที่เข้ามาถ้าฟังแล้วใจไม่ได้ลอยไปลอยมาใจก็จะเกิดความสงบได้ถ้าฟังแล้วเข้าใจถึงธรรมต่างๆก็จะเกิดปัญญาเกิดสัมมาทิฐิขึ้นมาได้ผลที่จะได้รับก็คืออนิสงส์ที่มีอยู่ห้าประการด้วยกัน คือหจะได้ยินได้ฟังทำที่อาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. องทำที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วพอได้ฟังซ้ําอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลําดับ 3. จะทําให้ความลังเลสงสัยต่างๆในธรรมของพระพุทธเจ้าหมดหายไปหมดได้4 จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องคือปัญญาและห้าจะทำให้จิตสงบผ่องใสมีความสุขนี่คือผลหรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการฟังธรรมที่ถูกต้องคือฟังด้วยการวาจาใจที่สงบในสมัยพระพุทธการ ตอนที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมแต่ละครั้งเช่นครั้งแรกได้ทรงแสดงธรรมให้กับพระปัญจาวาคีพระปัญจวาคีนี้เป็นผู้มีศีลที่บริสุทธิ์เป็นนักบวชมานานแล้วก็มีความสามารถจิตใจสามารถเข้าสมาธิเข้าฌานขั้นต่างๆได้พอเวลาฟังธรรมพระปัญจวาคีทั้งห้า กอฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบพอกายวาจาใจสงบใจก็พร้อมที่จะรับแสงสว่างแห่งธรรมจากพระพุทธเจ้าพอ พ, าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้กับพระวัญจวัคีแสดงอริยสัจ ส, สีแสดงมรรคแปดพระปัญจวคีก็บรรลุธรรมกันขึ้นมา ในพระปัญจวัคคีย์ก็คือพระ อ, อัญญาณโกนธัญะได้มีดวงตาเห็นธรรมการเห็นธรรมในใจนี้ก็เหมือนกับเวลาที่เราอยู่ในห้องมืดตอนยังคืนถ้าเราเข้าไปในห้องมืดๆเราจะไม่เห็นอะไรต่างๆที่มีอยู่ในห้องแต่พอเราเปิดไฟขึ้นมาท่านั้นเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในห้องอย่างชัดเจนใจของพระปัญจวัคคีในเบื้องต้นในขณะที่ฟังธรรมครั้งแรกนั้นใจยังมืดบอดจากแสงสว่างแห่งธรรมในใจนี้ถูกความมืดบอดของโมหะอาวิชากิเลสตัณหาครอบงำจิตใจจึงทำให้ใจไม่สามารถเห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในใจได้พอ พระพุทธเจ้าเปิดไฟแสดงธรรมให้กับพระปัญจวัคคีหนึ่งในพระปัญจวัคคีคือพระอัญญาโกฏัญญาก็ทำให้แสงสว่างแห่งธรรมนี้รับแสงสว่างแห่งธรรมเข้าไปในใจได้อย่างเต็มที่เหมือนกับเปิดไฟในห้องที่มืดบอดที่ที่มืดสนิทพอเปิดไฟในห้องที่มืดสนิทปั๊บก็เห็นทันที ว่ามีอะไรบ้างที่อยู่ในห้องเช่นถ้าอยู่ในห้องรับแขกก็จะเห็นมีโต๊ะมีเก้าอี้มีของอะไรต่างๆถ้าอยู่ในห้องนอนก็จะเห็นว่ามีเตียงมีอะไรต่างๆแต่ถ้าไม่ได้เปิดไฟไว้ก็จะมองไม่เห็นอะไรใจก็เช่นเดียวกันใจที่ถูกกิเลสตัณหาโมหะอวิชชา ความมืดบอดครอบงำจิตใจจะทำให้ไม่สามารถมองเห็นธรรมต่างๆที่มีในใจได้เลยแต่พอได้แสงสว่างแห่งธรรมจากพระพุทธเจ้าพอเปิดแสงสว่างในใจให้สว่างขึ้นมาใจก็เห็นสิ่งต่างๆที่มีในใจเห็นอริยสัจสี่เห็นใจรักเห็นบุญเห็นบา เห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นนบายเห็นการเวียนว่ายตายเกิดสิ่งเหล่านี้มีในใจของของสัตว์โลกทุกคนแต่สัตว์โลกไม่มองมองไม่เห็นกันเพราะสัตว์โลกไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมมีแต่ความมืดบอดของโมหะอวิชชาครอบงำจิตใจจึงทำให้เห็น สิ่งที่มีในใจพอพระอัญญาณกลธฑรยะได้แสงสว่างแห่งธรรมของพระเจ้าเข้าไปในใจก็เห็นทันทีว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเห็นสภาวะธรรมทั้งทั้งปวงเช่นร่างกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตน ก็เลยสามารถที่จะปล่อยวางสภาวธรรมคือร่างกายได้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายและเห็นทางที่จะพาให้ไปสู่นรกไปสู่ความทุกข์ต่างๆก็คือการกระทําบาปต่างๆพรโสดาบันก็จะปิดประตูบายได้ไม่เดินทางไปในทางนั้น เพราะว่าขึ้นอยู่กับการกระทำบาปเท่านั้นเองถ้าหยุดการกระทำบาปได้ใจก็จะไม่ไปตกนรกไม่ไปเกิดนิรบายแล้วก็ไม่มีความสงสัยว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นธรรมที่สามารถนำาม า, ม า, มาใช้ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจได้หรือไม่เวลาเกิดความทุกข์ใจก็จะ เข้ามาหาสาเหตุที่อยู่ในใจก็คือความอยากต่างๆนั่นเองพอรู้ว่าเกิดจากความอยากแบบนี้ก็ใช้ใตรักเข้ามาดับมันได้เห็นสิ่งที่อยากว่าเป็นทุกข์พอเห็นว่าสิ่งที่อยากได้มันเป็นทุกข์ก็จะไม่อยากได้ทันทีความอยากก็จะหายไปความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหายไป เช่นอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เป็นโรคมะเร็งไม่เป็นโรคหัวใจโรคความดันหรือโรคอะไรต่างๆแต่ก็เห็นด้วยปัญญาว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยวร่างกายอยู่ภายใต้กฎของใจรักของอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ พอเห็น right. ความจริงว่าร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายไปหยุดความอยากไม่แก่หยุดความอยากไม่เจ็บไม่ตายเทนั้นเองใจก็ไม่ทุกข์ตความแก่ความใจความเจ็บความตายอีกต่อไปร่างกาย แกใจก็ไม่ทุกข์ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นโรคมะเร็งโรคอะไรก็ตามใจก็จะไม่ทุกข์ก่อนจะตายใจก็ไม่ทุกข์ก่อนเพราะใจมีดวงตาเห็นธรรมเห็นแล้ ว, ว่าความทุกข์เกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่านั้นเองพอยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายยอมรับความจริงว่าร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ใจก็หายทุกทันทีแล้วก็เห็นความทุกข์ที่เกิดจากความการกระทำบาปต่างๆความทุกข์ในใจก็คืออบายดีๆนี่เวลาใจทำบาปแต่ละครั้งใจจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากจะไปอบายไม่อยากจะทุกข์กับการทุกข์กับใจที่เกิดจากการกระทำบาป ก็หยุดการกระทํำบาปนั้นไม่ไปทางนั้นแล้วก็เห็นทางที่จะพาไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆด้วยการทําบุญทําความดีต่างๆและเห็นทางที่จะนําไปสู่พานิพานสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการหยุดเหตุที่พาให้จิตไปเวียนว่ายตายเกิดก็คือหยุดตันหาความอยากทั้งสามประการ ความอยากเศษกรรมความอยากเศษ ร, รูปประชาญความเความอยากจะเศษอรูปประชาญความอยากทั้งสามนี้เป็นเหตุที่พาให้ดวงวิญญาณต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบในพบต่างๆมีอยู่สามพบด้วยกันการมาพบรูประพบและอรูประพบการมาพบก็เป็นพบที่ให ที่ใจที่ยังเสพกามยังมีความอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไปเวนไปเกิดแก่เจ็บตายในการมาพบส่วนรูปประพบก็เป็นภพของผู้ที่เสพรูปประชานผู้ที่ติดในติดในรูปประชานตายไปก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นรูปประพบถ้าติดในรูปประชานตายไปก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นรูปประชาน ถ้าตัดความอยากทั้งสามนี้ได้ความอยากจะเสพกามคุณห้ารูปเสียงกลิ่นลดผลทพะก็จะไม่กลับไปเกิดในกามะภพกามะภพก็เป็นภพของมนุษย์ของเทวดาของเปรตของสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นก็จะไม่กลับไปเกิดในภพนั้นถ้าตัดกามะตัณหาความอยากจะเสพกามได้แต่ก็จะไปติดอยู่ที่รูปภพไปติดกับการเสพรูปประชานแทน หรือการไปเสพอารมูปฌานก็จะไปเกิดในอารูปภพอรูปภพก็ภพของรูปภพพร ม, มที่มีรูปเรียกว่ารู ป, ปรภมอารูปภพก็เป็นภพของพรมที่ไม่มีรูปนี่คือดสามภพที่เรียกว่าตายภพตายตายภพตายชาติอยู่ที่ ท, ที่สี่สัตโลกยังติด ย, ยังวินวหวตายเกิดอยู่ เหตที่พาให้มาติดเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็คือความอยากทั้งสามความอยากจะเสพกามก็เกิดในกามะพุความอยากจะเสพรูปฌานก็ไปเกิดในรูปภ พ, พความอยากจะเสพรูปฌานก็ไปเกิดในอรูปภพพวกนี้เวลาล่างกายเวลาร่างกายตายไปผู้ที่ทำบุญก็ไปเสพกามในสวรรค์ชั้นเทพ ผู้ที่เสบรูปฌานก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นโรมชั้นรูปประพรมผู้ที่เสบอรูปฌานก็ไปเกิดในสวรรค์อรูปประพรมแล้วพอพมพอพอบุญที่ส่งให้ไปเกิดในสวรรค์เสื่อมลงก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอฌานที่ส่งให้ไปเกิดในรูปประพบหรืออรูปประพบเสื่อมลงก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แต่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ไม่เหมือนกันพวกที่เสกกรรมพวกที่ไปสวรรค์กลับมาก็จะมาทำบุญต่อมาเสพรูปเสียงกิริยลดมาหาความสุขจากการมีครอบครัวจากการมีมีเงินมีทองไว้ใช้ไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปทำอะไรต่างๆเพราะยังมีการมาตัณหามีความอยากจะเสกกรมอยู่ส่วนพวกที่ลงมาจากรูปภพหรืออรมณภพนี้ พอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะไม่มามีครอบครัวจะไม่มาเสบรูปเสียงกลิ่นรสแต่จะไปบวชเป็นนักบวชกันเพื่อที่จะได้เข้าสมาธิเข้าฌานเพราะความสุขจากสมาธิจากฌานนั้นเหนือกว่าดีกว่าความสุขจากการเสพกามนั่นเอง mm hmm. พวกที่เข้ารูปฌานได้ก็พอมาเกิดก็จะมาทําเข้ารูปฌานต่อ พวกที่เข้าารูปประชานได้พอกลับมาเกิดก็จะมาเข้ารูปอรูปประชานต่อพวกนี้จะเป็นนักบวชกันทั้งหญิงทั้งชายไม่มีเพศผู้ใดสามารถเข้าฌานได้ก็จะเป็นนักบวชกันทั้งนั้นผู้หญิงก็ จ, จะบวชชีบวชบวชพรามบวชอะไรไปผู้ชายก็บวชพระไปหรือเป็นบาอุบาสกไป ไม่เสกการไม่มีครอบครัวไม่หาความสุขจากการเสกรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆนี่แหละคือสิ่งต่า ง, ง, างๆที่จะปรากฏขึ้นในใจของผู้ที่มีศีลสมาธิและพอได้ยินได้ฟังได้ศึกษาก็ทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะสามารถเห็นสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงสั่งสอนอยู่ในใจของเราทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่ไหนเลย นรกเอ่อยสวรรค์เลยอยู่ในใจการเวียนว่ายตายเกิดก็อยู่ที่ใจเป็นผู้ไปเวียนว่ายตายเกิดพบต่างๆก็อยู่ที่ใจใจไปเสพกามก็ไปเกิดในกามมาพบใจเสพรูปประชันก็ไปเสพก็ไปเกิดในรูปภระพบใจเสพ ร, รูปประชันก็ไปเกิดในอรูปประพบ ใจที่ยุติการเสพรูปเสียงกลิ่นลดยุติการเสพรูปประชานยุติยุติการเสบรูปประชานได้ mm hmm. ก็อยู่ที่พระนิพาน mm hmm. พานพระนิพพานเป็นที่ที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิด mm hmm. ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในกายพบอีกต่อไป mm hmm. ไม่เกิดในกายมาพบไม่เกิดในรูปพบและอรูปพบระหว่างช่วงที่ปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นนี้ ก็จะหลุดพ้นเป็นขั้นขั้นไปเช่นขั้นพระโสดาบันก็ยังยังติดในการเสพกามอยู่ก็จะกลับมาเกิดเป็นเกิดในการมครบไม่เกินเจด 7, 7ครั้งเป็นอย่างมากถ้าได้ขั้นที่สองขั้นพระสกิดาคามีก็จะมาเสพกามอีกกัก็ยังเสพกามอยู่ยังติดการเสพกามอยู่ แต่จะกลับมาเกิดอีกครั้งเดียวเท่านั้นเองกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเดียวแล้วก็จะสามารถละกามาตัณหาความอยากจะเสพการมได้หมดเป็นพระอนาคามีขึ้นมา พ, พอเป็นพระอนาคามีขึ้นมาขั้นที่สมก็จะไม่มากลับมาเกิดในการมาพบอีกต่อไปพระโสดา ย, ยังกลับมาเกิดในการมาพบอยู่ยังอยากมีครอบครัวยังอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่าง แต่จะเป็นผู้ที่ไม่มีความกลัวความแก่ความเจ็บความตายยอมรับความแก่วความเจ็บความตายได้และเป็นผู้ที่จะไม่ทําบาปโดยเด็ดขาดมีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ยังมีการมาตัญหามีความอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสโดยเฉพาะรูปเสียงกลิ่นรสของเพศตรงกันข้ามบุคคลต่างๆแต่พอได้เจริญ ปัญญาคืออสุภะดูความไม่สวยไม่งามของร่างกายดูทั้งภายนอกดูทั้งภายในภายนอกก็มีอาการห้าได้แก่ผมขนและฟันหนังภายในก็มีเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ำตับหัวใจพังผืดไตปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะ น้ำดีน้ำสเลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหนือน้ำมันค้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกพอได้พิจารณาอาการ32อยู่เรื่อยๆความสวยความงามของร่างกายก็จะหายไปจะเห็นว่าร่างกายนี้สวยเพียงภายนอกหน้าดูเพียงภายนอกแต่พอเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วไม่มีอะไรหน้าดูหน้าชมเลย ความอยากจะเสพการกับบุคคลต่างๆก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปตามกําลังของอสุภะที่สามารถจเจริญถ้าเห็นอสุภะบ่อยมากบ่อยเท่าไหร่การมาราคาก็จะลดน้อยถอยลงไปตามลําดับถ้าเห็นตลอดเวลาก็สามารถกําจัดการมาราคะได้อย่างสิ้นเชิงเห็นร่างกายของใครไม่ว่าจะเป็นนายแบบนางแบบ เป็นดาราภาพยนต์เป็นอะไรก็ตามที่โลกเขายกย่องสรรเสริญว่าเป็นเป็นสวยงามน่าดูน่าชมแต่ใจผู้ที่มีปัญญาที่เห็นสัจสุภาษนี้จะไม่เห็นอย่างที่เขาเห็นกันจะเห็นว่ามองทีไลก็เห็นแต่โครงกระดูกเห็นปอดตับไตลำไส้ต่างๆ เห็นสิ่งกปกสิ่งสกรปกที่สิ่งปฏิกูลที่ถูกขับถ่ายออกมาจากร่างกายอาหารเก่าน้ําปัสสาวะอะไรต่างๆเหงื่อไข่ต่างๆถ้าเห็นอสุภะในร่างกายแล้วการมาราคะก็จะหมดไปถ้าเห็นทุกเวลาเวลาเห็นทีไรพอเกิดการมาราคาขึ้นมาอสุภะก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีเป็นเหมือนกับคู่ต่อสู้กัน พอการมาราคะมามาเยื่อมาย่โ ย, ยนจิตใจ<ม>อสุภะก็จะโผล่ขึ้นมาดับการมาราคะทันทีน<ม>ถ้าถ้าถ้าอสุภะทันการมาราคะการมาราคะก็จะหมดกำลังไปในที่สุด<ม>ใจก็จะไม่มีความยึดติดไม่มีความอยากจะเสด็จการไม่อยากจะมีครอบครัวไม่อยากจะมีแฟนไม่มอยากจะมีสามีภรรยายต่อไป ใจที่ไม่มีการมราคาหลงเหลืออยู่ในใจก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เด็กต่อไป<ม>เพราะใจได้เปลี่ยนวิธีเสพความสุขจากการเสพกาลามลมรูปลลาาเสียงกลิ่นลดโผฏฐะมาเสพรูปประชานหรืออรูปประชานแทน<ม>ก็เลยไปติดอยู่ที่รูปประพบหรืออรูปประพบถ้าเสพรูปประชานก็จะไปติดอยู่รูปประพบถ้าเสอรูปประชานก็จะไปติดอยู่อรูประพบ นี่คือจิตของพระ อ, อนาคามี อ, อนาคามีแปลว่าผู้ไม่กลับมาเกิดในการมาพบพระสกิดาคามีกลับมาเกิดในการมาพบอีกหนึ่งครั้งพระโสดาบันกลับมาเกิดอย่างมากไม่เกินเจ็ดครั้งแต่ไม่ได้ห ม, มายความว่าจะต้องกลับมาเกิดเจ็ดครั้งก่อนนะถึงจะค่อยไปเป็นพระสกิดาคามีคือพระโสดาบัน บ, นบางทีพอบรรลุแล้ว ก, ก็ไม่ได้ปฏิบัติต่ตอ อาจจะมีเหตุอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งทําให้ไม่สามารถปฏิบัติต่อได้เช่นเกิดไปเจออุบัติเหตุถึงแก่ความตายหรือไปติดภารกิจอย่างอื่นที่ทําให้ไม่สามารถไปปฏิบัติธรรมต่อได้พอตายไปก็ยังต้องกลับมาทํากิจต่อไปแต่สําหรับคนบางคนอย่างพระอัญญาองคนธัญญานี่หลังจากที่ได้บรรลุเป็นพระสโสดาบันแล้ว พอพระเจ้าทรงสดแสดงธรรมอีกครั้งสองครั้งเท่านั้นเองภายในระยะ 1, วันสองวันก็ได้บรรลุถึงขั้นที่สี่ได้บรรลุปเป็นพระ อ, อรหันต์เลยทั้งห้าองค์เลยทั้งปัญจพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าองค์ก็ได้บรรลุปเป็นพระ อ, อรหันต์พร้อมๆกันเมื่อพระเจ้าได้ทรงแสดงอนัตตลักษณ์นัตสูตรแสดงให้ทำให้เห็นว่าสิ่ง ต, งต่างๆทั้งหลายที่มีในโลกนี้ทั้งร่างกายและจิตใจ รู้ว่นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตน mm hmm. การไปยึดไปติดไปถือเป็นตัวเป็นตนจะทําให้เกิดความทุกข์ mm hmm. เกดความยึดติด mm hmm. พอรู้ว่าการยึดติดความอยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามความต้องการพอมันไม่เป็นไปก็จะทําให้ใจทุกข์ใจก็เลยปล่อยวาง mm hmm. ปล่อยวางสิ่งต่างๆไม่ยึดไม่ถือว่าเป็นตัวเราของเราอีกต่อไป ใจก็ได้หลุดพ้นเป็นพระอาหารหันต์พร้อมๆกันคือไปตัดละกามตัณหาละวิภาวะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาตัดการความอยากจะเสดกลามตัดความอยากจะเสดรูปปชาตตัดความอยากจะเสพ็รูปปชาตพอตัดได้ใจก็หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดในตายพบอีกต่อไป ดัง น, นั้นการบรรลุธรรมสี่ขั้นนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องรอให้ได้ขั้นที่หนึ่งแล้วกลับมาอีกเจ็ดครั้งแล้วขั้นที่สองกลับมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นกรณีที่อาจจะต่างกันไปแล้วแต่บุคคลบางคนบรรลุขั้นที่หนึ่งแล้วไม่ได้ปฏิบัติต่อทิ้งไปหลายปีเช่นพระอาโนนนี้บรรลุเป็นพระโสดามันแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติต่อ เขาต้องไปรับใช้พระพุทธเจ้าอยู่ยี่สิบกว่าปีด้วยกันเลยไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติแต่พอพระพุทธเจ้าจากไปเสด็จ ด, ดับขันธริกิพ<ม>ผานไปพระอัญญานกนทนยะยัก็หมดภาระหน้าที่ในการรับใช้พระพุทธเจ้าก็มีเวลาไปปฏิบัติได้อย่างเต็มที่<ม>พอปฏิบัติอย่างเต็มที่เพียงสามเดือนก็ได้บรรลุขั้นที่สี่ได้บรรลุเป็นขั้นขั้นเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาทันที เพราะนะั้นการบรรลุธรรมสี่ขัน้นนี้เวลาของแต่ละคนนี้จะไม่เหมือนกันไม่เท่ากันบางคนบรรลุแบบไล่กันเลยเช่นมีพระอยู่รูปหนึ่งท่านบรรลุในขณะที่ปลงผมเช่นวันนี้เป็นวันปลงผมเนี่ยพอท่านพิจารณาพออามิโกนลงครั้งแรกก็เป็นพระโส ด, ดาบันพอพิจารณาสุภรงมีโกนครั้งที่สองก็เป็นพระสกิดาคามีครั้งที่สามก็เป็นพระอนาคามี ทั้งที่สี่ก็เป็นพระอรหันได้เลยอันนี้คือการทำงานของจิตใจของปัญญาเมื่อมีแสงสว่างแห่งธรรมปรากฏขึ้นในใจแล้วปัญญาก็เหมือนไฟที่เมื่อจุดเมื่อจุดไฟขึ้นมาแล้วมันก็จะลามไปไหมกับเชื้อที่มีอยู่ ท, ทันทีพอเกิดปัญญาในใจกิเลสอยู่ตรงไหนปัญญาก็จะไปเผากิเลสในตรงนั้น ท, ทันทีจะไปเผาการมาตัหาไปเผา ภาวะตัณหาไปเผ่าวิภาวะตัณหาเผาความอยากจะเสศรูปเสียงกลิ่นนนเผาความอยากจะเสศรูปประชานเผาความอยากจะเสศรูปประชานก็เข้าใจหลักของอริยสัจสี่ว่าทุกเกิดจากความอยากและการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบก็เกิดจากความอยากอย่างในกามคุณห้าอย่างในรูปประชานและอย่างในรูปประชานนเองใจก็เริ่มมุ่งไปกําจัด ที่ความอยากทั้งสามนี้พอโผกขึ้นมาก็หยุดมันได้ด้วยใจรักเห็นว่าสิ่งที่อยากได้เห็นว่าการมมรรคห้าเป็นทุกข์เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเห็นว่ารูปประชานก็ไม่เที่ยงอารูปประชานก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนควบคุมบังครับสั่งให้มันเที่ยงสั่งให้มันอยู่ไปตลอดไม่ได้มันมีเจริญแล้วมีเสื่อมทั้งนั้น อันนี้คือปัญญาพอเริ่มเข้าไปในใจแล้วมันจะรู้วิธีกำจัดกิเลส ต, ต่างๆที่พาให้สัตว์โลกต้องมาเวียนวยตายเกิดกันก็คือความอยากทั้งสามนี้อยากในกรมอยากในรูปประชาญและอยากในอรูปปัจจัยก็จะถูกปัญญาที่ได้รับจากพระพุทธเจ้านี้ไปแผดเผากิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจ นี่คือการสแสดงการทำธรรมในสมัยพุทธกาลที่ต้องมีเหตุสองเหตุปัจจัยปัจจัยผู้ฟังก็คือผู้ฟังต้องมีศีลสมาธิมีศีลที่บริสุทธิ์มีสมาธิในระดับฌานขึ้นไปแล้วผู้สแสดงธรรมต้องเป็นผู้ที่บรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพออาาระอรหันตสาวกถึงจะสามารถสแสดงธรรมแท้ได้ธรรมที่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงได้ พอพระพุทธเจ้ า, พพจาตัดสรุวธรรมแล้วก็เอาธรรมแท้นี้มาสอนให้กับผู้ฟังผู้ฟังก็คือพระอัญญาณโกนทัญญาผู้มีศีลที่บริสุทธิ์มีจิตที่มีสมาธิในระดับรูปประชานและอรูปประชานพอฟังธรรมธรรมก็เข้าไปในใจอย่างอย่างรวดเร็วทันทีทำให้ใจที่มืดบอดสว่างสวัยขึ้นมาเห็นอนาาุญาตสัตว์สเห็นไตร ล, ลักษ เห็นบาปเห็นบุญเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นการเวียนว่ายตายเกิดเห็นการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหมดนี้อยู่ในใจนี้เองไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยเพียงแต่ว่าใจจะเปิดสามารถเปิดไฟคือแสงสว่างแห่งธรรมให้เกิดขึ้นมาในใจได้หรือไม่เท่านั้นเองการจะทำให้เกิดแสงสว่างในใจเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องก็ต้องมีทั้งมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิ แล้วก็ต้องมีปัญญาคือแสงสว่างแห่งธรรมจากพระอาหารหันต์จากพระพุทธเจ้าถ้าฟังธรรมจากผู้ที่ยังไม่ใช่เป็นผู้เป็นพระอาหารหันต์นี้ธรรมยังยังไม่เป็นธรรมแท้ยังเป็นธรรมปลอมอยู่เป็นธรรมเป็นธรรมเทียมอยู่ธรรมที่มีเจมีกิเลสปะปนอยู่นั่นเองเพราะใจของผู้สแสดงธรรมยังเป็นใจที่ไม่สะอาดบริสุทธิ์ยังเป็นใจที่มีกิเลสตัณหาครอบงาอยู่ จะแสดงธรรมไปตามอำนาจของกิเลสตันหาแทนแทนที่จะแสดงธรรมไปตามอำนาจของธรรมของความจรงิง<ม>ก็ไปแสดงธรรมตามอำนาจของกิเลสโมห oh ะเหมือนเหมือนกับแสดงธรรมเหมือนกับเข้าไปในห้องมืดแล้วก็บอกว่าห้องในห้องนี้มีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้<ม>ทั้งทั้งที่ผู้เข้าไปในห้องมืดก็มองไม่เห็นว่าในห้องมืดนี้มีอะไรบ้างแล้วก็เอาเอาสิ่งที่ได้ไปยินได้ฟังมา จินตนาการว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นลักษณะเหมือนตาบอดพวกตาบอดขำช้างเนี่ยคนตาบอดห้าคนมาเจอมาเจอพบกับตัวชา้างแต่ละคนก็ไปไปไปจับส่วนต่างๆของช้างแล้วก็บอกว่าช้างเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คนนึงไปจับหางช้างก็บอกช้างนี่มันมันเป็นเชือกนะอีกคนก็ไปจับงวงก็บอกไม่ใช่มันเป็นงู อีกคนก็ไปจับหูก็ บ, บอกไม่ใช่มันเป็นใบพัดอ <m ul ly> ันมันมันเป็นพัด <m ul ly> พัดใบใหญ่ๆอีกคนก็ไปจับงาก็บอกไม่ใช่มันเป็นห อ, อก <m ul ly> มันแหลมคมอีกคนก็ไปจับท้องช้างบอกไม่ใช่มันเป็นกำแพงมันก็ถูกทุกคนนะแต่ถูกเพียงแต่ส่วนเดียวของช้างไม่ได้ไม่ได้ถูกครบห้าห้าส่วนด้วยกันแล้วก็มานั่งถกเถียงกันมาทะเลาะ ก, กัน ว่าเขาถูกเราผิดเขเราถูกเขาผิดเป็นต้นพียา mm hmm. กณาไปจนน้ำลายหมดปากก็ยังไม่ได้ข้อสรุป mm hmm. เพราะแต่ละคนก็ยืนยันในความเห็นของตอนเองว่าเป็นความเห็นที่ถูกต้องอัน mm hmm. นี้คือลักษณะของปุถุชนบุคคลที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลผนิพพานจะเห็นเป็นบางส่วน mm hmm. แต่จะไม่เห็นครบทุกส่วน mm hmm. ก็เอาส่วนที่เห็นมาพูดแล้วก็มาวิาพากวิจาร คนอื่นที่เขาเห็นอีกส่วนหนึ่งบางคนก็บอกว่าไม่ต้องนั่งสมาธิปฏิบัติใช้ปัญญาได้เลยบางคนก็ต้องบอกว่าต้องนั่งสมาธิก่อนถึงจะใช้ปัญญาถึงจะเจริญปัญญาได้ก็ถกเถียงกันไปซึ่งก็มีส่วนถูกและมีส่วนผิดไม่มีไม่ได้มีครบท่วนขบวนการาะไม่ได้ศึกษามรรคแปดสิ่งมรรคแปดก็คือทำแปประการที่จะทาให้จิตหลุดพ้นจาก ความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็ต้องมีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิมีปัญญาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะแล้วก็ต้องมีศีลก็คือสัมมาวาจาสัมมาสัมมากรรมโตสัมมาอาชิโรแล้วก็ต้องมีสัมมาวยาโมความเพียรชอบถ้ามีความรู้แต่ไม่ไปเอาความรู้นี้ไปศึกษาแล้วไม่ไปปฏิบัต รู้แล้วว่าต้องปฏิบัติอะไรแต่ไม่ปฏิบัติเลยต้องปฏิบัติศีลสัมมาคัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาญาโมศีลก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีแล้วก็ไม่พูดปดไม่ดื่มของมลเมาอาชีพก็เป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียนผู้เช่นะอาชีพฆ่าเป็ดฆ่าไกา่ฆ่าสัตว์ชนิดต่างๆเพื่อเอาเอาชีวิตเขามาขายเพื่อที่จะได้มีรายได้เลี้ยงชีพ นี่คือนักผู้ปฏิบัติเพื่อการดุดพ้นจะไม่มีการกระทําผู้ปฏิบัติต้องมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ต้องมีความเพียรที่จะเจริญสติอยู่อย่างต่อเ น, นื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับเพราะถ้าไม่มีสติเวลาจะเข้าสมาธิจิตจะเข้าฌานไม่ได้เข้าสู่ความสงบไม่ได้จิตจะถูกความคิดต่างๆคอยปิดกั้นความสงบของใจ แต่ถ้ามีสติคอยควบคุมความคิดได้หยุดความคิดได้เวลานั่งสมาธิใจก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ฌานได้เมื่อใจมีฌานเรียกว่ามีสัมมาสมาธิก็สามารถจเจริญปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังโปรเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นใจรักเห็นอริยสัสสัตสีทุกสมุทัยนิโรธมากเห็นนรกเห็นสวรรค์ เห็นการเวียนว่ายตายเกิดเห็นนิพพานการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่มีในใจของตนนี่คือต้องศึกษาแล้วต้องนำอาไปปฏิบัติต้องศึกษาจากทำแท้ทำแท้ก็คือทำที่พูะเจ้าได้ทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าพรรษาด้วยกันนี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงทำเกือบทุกวันวันละสี่ครั้งด้วยกัน ตอนบ่ายก็แสดงธรรมสอนศรัท ธ, ธาญาโยมตอนข้าำก็สอนพระภิกษุภิกษุณีนักบวชยามเดึกก็สอนเทวดายามเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบินบ็นธบัดก็ทรงเล็งยามดูว่ามีใครบ้างที่กําลังจะสามารถบรรลุธรรมได้พร้อมที่จะบรรลุธรรมได้และอาจจะเกิดอุบัติเหตุที่ยาจะต้องทําให้ถึงแก่ความตายขึ้นมา อ, องก็จะสรงมุ่งไปโปรดบุคคลนั้นในวันนั้นสแสดงธรรมโปรดเขาเพราะว่าเขาอาจจะอยู่ไม่นานอาจจะต้องตายไปในเร็ววันก็เลยต้องแต่เขาพร้อมที่จะรับธรรมมันประเสริฐพร้อมที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ อ, องคก็จะมุ่งไปโปรดบุคคลนั้นและธรรมที่พระเจ้าทรงสแสดงในแต่ละครั้งนี้ก็มีพระภิกษุที่ติดตามไปคอยจดคอยจํากันเอาไว้แล้วก็เอามาถ่ายทอดให้กับพระภิกษุรุ่งอื่น พระภิกษุที่มาบวชก็จะมาจดมาจำมาท่องคำสั่งคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าจนต่อมาก็ได้มีการรวบรวมเอามาเก็บไว้ในพระคำมภี์ที่เราเรียกว่าพระไตรปิฎกนี่อันนี้แหละคือคำสอนของพระพุทธเจ้าทำแท้อยู่ในพระไตรปิฎกถ้าเราอยากจะศึกษาทมแท้ต้องศึกษาจากพระไตรปิฎกเป็นแหล่งแหล่ง ห, หนึ่ง หลังที่สองที่เราสามารถศึกษาทาแท้ได้ก็จากพาระอรหันตสาวกจากพระอริยสงสาร ก, ก็ได้แต่ถ้าได้พระอรหันนี้จะได้ทำที่ครบถ้วนบริบูรณ์ถ้าได้ถ้าได้ทำจากพระโสดาบันก็จะได้ทำในระดับของโสดาบันระดับที่สูงกว่านั้นพระโสดาบันสอนไม่ได้ระดับพระโสดาบันนี้ไม่สามารถสอนทำในระดับของพระสกิร ด, ดาคามีได้ พระสกิร์ดาคามีก็ไม่สามารถสอนธรรมที่สูงในระดับพระอนาคามีหรือพระอาหารหันต์ได้พระอนาคามีก็ไม่สามารถสอนธรรมที่ในระดับพระอาหารหันต์ได้งั้นถ้าอยากจะได้ธรรมครบถ้วนบริบูรณ์อยากได้ธรรมที่ทําให้ได้หลุดพ้นอย่างเต็มที่ก็ต้องศึกษาจากธรรมของพระอาหารหันตสาวกซึ่งในยุคปัจจุบันเราก็มีพระปฏิบัติดี ป, ปฏิบัติชอบที่เราเรียกว่าพระสุ ป, ปฏิปโน ที่บรรลุปเป็นพระอรหันต์กันเรารู้ได้ยังไงว่าพระเหล่านั้นท่านเป็นพระอรหรันต mm ์ hmm. ก็เวลาที่ท่านตายไปกระดูกของท่านอัฐิของท่านจะกลายเป็นพระธาตุาขึ้นมาบางสว่วน mm hmm. เราก็รู้ว่าพระรูปนี้ท่านเป็นพระอรหันต์เราก็สามารถไปศึกษาคำสอนของท่านได้ถึงแม้ hmm. ท่านตายไปแล้วแต่คำสั่งคำสอนของท่านก็มีการจดบันทึกเอาไว้เป็นหนังสือบ้างเ ป, เป็นอยู่ในเครื่องบันทึกเสียงบ้าง สามารถศึกษาจากธรรมหเหล่านี้ได้เป็นธรรมแท้ไม่ใช่เป็นธรรมปลอมไม่ใช่เป็นธรรมแบบคนตาบอดห้าคนคําช้างเป็นเป็นธรรมที่ครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์มรรคแปดก็สมบูรณ์อริยรรสัจสี่ก็สมบูรณ์ใจรักก็สมบูรณ์ไม่ขาดอย่างใดอย่างหนึง่งอันนี้แหละคือเรื่องอ น, นิสงส์ของการฟังธรรมถ้าฟังธรรมแบบวิธีที่ถูกต้อง ก็จะได้ได้ทำเข้าไปในใจแล้วจะสามารถกบจัดความสงสัยต่างๆในใจได้ว่านรลกมีจริงหรือไม่สวรรค์มีจริงหรือไม่การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่อันนี้จะเห็นได้ชัดถ้าฟังด้วยใจที่สงบใจที่มีสมาธิกายวาจาที่นิ่งสงบไม่พูดคุยกันไม่ร่างกายไม่เคลื่อนไหวไม่ทำอะไรแน้ธรรมที่ได้ยินต้องเป็นธรรมแท้ด้วย ยกนี้ในสมัยนี้ส่วนใหญ่เวลาฟังธรรมมันไม่ได้เป็นแบบแบบนี้นักจะขณะที่ฟังธรรมมักจะมีการกระทำอะไรบางคนก็เดินไปเดินมาบางคนก็ไปทำนู่นทำนี่แล้วก็ฟังธรรมไปบางคนก็ขับรถไปฟังธรรมไปบางคนก็ฟังธรรมไปแล้วคุยกันไปถ้าฟังธรรมแบบนี้ไม่มีทางที่จะทำให้ใจมีบรรลุธรรมได้ แล้วธรมที่ได้ยินได้ฟังก็อาจจะเป็นธรรมที่ไม่ไม่ใช่เป็นธรรมแท้ก็ได้ถึงแม้จะคัดเอามาจากพระไตรปิฎกแต่ก็อาจจะมามาแต่งมาเสริมอะไรเข้าไปเลยทำให้ธรรมแท้กลายเป็นธรรมไม่แท้ไปได้องจึงไม่ค่อยมีการบรรลุเท่าไหร่เวลาฟังธรรมกันในยุคปัจจุบันนี้เพราะไม่ได้ฟังเหมือนกับในยุคสมัยพุท ธ, ธกาลที่มีผู้แสดงธรรมก็เป็นผู้แสดง ผู้ที่มีทำผู้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้าผู้ฟังธรรมก็มีศีลที่บริสุทธิ์สงบกายสงบวาจามีจิตใจที่นิ่งบริสุทธิ์มีจิตใจที่นิ่งสงบด้วยด้วยสมาธิด้วยฌานพอมีสิ่งเหล่า น, นี้อยู่ทำที่ทที่แสดงก็จะเข้าไปในใจของผู้ฟัง ท, ทันทีไปเปิดใจให้สว่างขึ้นมาทาให ใจที่มืดบอดนั้นเห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในใจของตนเองเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นบุญเห็นบุญที่ทําให้เกิดนรกขึ้นมาเห็นบาปเห็นบุญที่ทําให้เกิดสวรรค์ขึ้นมาเห็นบาปที่ทําให้เกิดนรกเกิดอบายขึ้นมาเห็นกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆที่ทําให้มาเวียนว่ายตายเกิดกันเห็นเห็นปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์ในสิ่งต่างๆทําให้หยุดความโลภความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปได้ ก็จะปรากฏเป็นพระนิพพานขึ้นมาสิ่งหต่างเหล่านี้เป็นเรื่องจริงเป็นความจริงเป็นสัตยธรรมที่มีอินทใีย์ของสัตว์โลกอย่างพวกเราทุกคนเพียงแต่ว่ามันถูกความมืดบอดมันปกปิดเอาไว้เหมือนไม่ได้เปิดไฟในห้องมืดนั่นเองพอไม่เปิดไฟในห้องมืดก็ไม่รู้ว่าในห้องมีอะไรบ้างก็จินตนาการไปต่างๆว่ามีอย่างนั้นมีอย่างนี้ จินตนาการไปว่าถ้าอยากจะมีความสุขก็ต้องมีลาบยศสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสผุดถ้าอันนี้เกิดจากการจินตนาการของโมหะอวิชชาของความมืดบอดของความหลงที่ไปคิดว่าความสุขนั้นอยู่ที่การเสพลาบยศสรรเสริญอยู่ที่การเสพรูปเสียงกลิ่นรสผุดถ้าก็เลยมุ่งไปหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผุดถ้ากันแล้วเป็นยังไง แทนที่จะได้รับความสุขเพียงอย่างเดียวกับจะต้องได้รับความทุกข์มาด้วยกันเพราะมันเป็นของคู่กันความสุขทางราบยศฉลเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันมีความทุกข์ประกบมาด้วยเพราะว่าราบยศฉลเสริญ ส, สุขนี้มันเป็นของไม่เที่ยวมีเจริญแล้วก็มีเสือ่อมมันเป็นของคู่กันเวลาเจริญมันก็ให้ความสุขกับผู้ที่ได้เสพราบยศฉลเสริญเสพรูปเสียงกลิ่นลดต่างๆ แต่พอเวลามันเสือ่อมความทุกข์ก็จะเข้ามาในใจของผู้เสพรูปเสียงกลิ่นรสผู้เสพราบยศฉะละเสริญทันทีนี่เปเพราะว่าไม่มีปัญญาไม่มีไม่ได้ศึกษาพราะธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้ามาศึกษาพราะธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะสอนว่าอย่าไปหาอย่าไปเสพราบยศฉะละเสริญอย่าไปเสบความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ เพราะมันเป็นของไม่แน่นอนเป็นของชั่วคราวเป็นของที่มีการเปลี่ยนแปลงได้มีมีการเจริญก็มีการเสื่อมได้มีการเกิดก็มีการดับได้เวลามันเกิดมันเจริญก็ให้ความสุขกับผู้เสกแต่พอเวลามันเสือ่อมมันดับก็จะทําให้เกิดความทุกข์งั้นมันไม่ใช่เป็นความทุกข์มันไม่ใช่เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์ต้องสรุปลงไปที่ว่าราบยศสนรเส ร, ริญ ทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวมันไม่ใช่เป็นความสุขยั่งยืนมันไม่ใช่เป็นความสุขแท้ร้อยเปซมันเป็นความสุขแค่50อร์ซอีก50เอร์ซมันเป็นความทุกข์พอความสุข50เซต์หมดไปความทุกข์ที่เหลือห้าซก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีนี่เกิดความมืดบอดมันไม่รู้มันมองไม่เห็น ก็เลยพาให้สารโลกนี้ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในการมาพบมาเสพราบยศสารเสริญมาเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยู่เรื่อยๆเสพได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแล้วเวลาที่ร่างกายตายไปก็ไม่สามารถเสพมันได้ก็ต้องกลับมาเกิดใหม่มาหาร่างกายอันใหม่เพราะต้องใช้ร่างกายอันใหม่นี้เป็นเครื่องมือในการที่จะสามารถเสพราบยศสารเสริญเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ ใจก็เลยเวียนว่ายตายเกิดในการมาพบอยู่เรื่อยๆไปจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เท่านั้นที่จะสอนที่จะบอกว่าอย่าไปเสพลาบยศสรรเสริญอย่าไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสเพราะว่ามันจะทำให้จิตเรานี่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในการมาพบอยู่เรื่อยๆเพราะว่าร่างกายที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเสพลาบยศสรรเสริญสุขนี้มันก็เป็นของชั่วข่าว พอเวลาร่างกายตายไปใจก็ไม่สามารถเสด็จราบยศสารเสริญสุขได้ก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่มาทำหน้าที่ต่อก็ต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยเกิดมากี่ครั้งก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายทุกครั้งไปพอตายไปก็ไปกลับมาเกิดใหม่เรื่อยเพราะใจมันติดราบยศสารเสริญติดควาสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองที่ไม่ได้ให้ความอิ่มความพอควรจะยุติการหา ความสุขจากราบยศเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสกันได้ด้วยการเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการหาความสุขจากราบยศเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสก็กมาหาความสุขจากการทําใจให้สงบมาฝึกสติมานั่งสมาธิมาถือศีลแปดกันเป็นอย่างน้อยต้องมาถือศีล น, นักบวชถือศีลแปดแล้วก็ แล้วจะไปบวชเป็นพระก็ถือศีล200ยึเจ็ดศีลจะห้ามไม่ให้ศีลเหล่านี้จะห้ามไม่ให้ไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสไม่ให้ไปทากิจกรรมทางตาหูจมูกนิ้นกายนั่นเองเพื่อที่จะได้มีเวลามาให้กับการเจริญสติมานั่งสมาธิเพื่อทำใจให้นิ่งให้สงบพอเวลาใจนิ่งสงบใจก็จะเป็นสมาธิเป็นฌานขึ้นมาพอเป็นฌานใจก็จะมีความสุข ความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเสพลาบยศสรรเสริญการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพัสชนิดต่างๆก็จะทำให้ใจสามารถเลิกเสพลาบยศสรรเสริญได้เลิกเลิกเสพกลามได้แต่ต้องอาศัยความสุขจากการเสพเสพรูปประชานหรืออารูปประชานมามาแทนความสุขที่จะได้จากการเสพเสพกลางพอละ พอเราเลิกเสพกามได้เราก็จะมาติดการเสพสมาธิเสเพรูปประฌานหรือเสเปลารูปประฌานถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดทะลุก็จะติดอยู่ในรูปฌานหรืออรูปประฌานไปเรื่อยๆแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาตัดทะลุพระพุทธเจ้าบอกว่าแม้แต่รูปปฌานหรืออารมูปฌานก็ต้องก็ต้องเลิกเสพอย่าไปอย่าไปติดมันเพราะการติดมันจะทําให้กลับมาเกิดในรูปภพเลือกรูปภพอยู่เรื่อยๆยังไม่สามารถหลุดพ้นจาก กองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ขั้นต้นเราต้องอาศัยรูปประชานหรือรูปประชานเป็นเครื่องมือในการละละการเสบการบุคุณหถ้าเราไม่มีรูปประชานหรือรูปประชานี้เราจะไม่มีกาลังไม่มีความสามารถที่จะไปละการเสบรูปเสียงกินรสต่างๆได้ไม่สามารถไปละการเสพลาบยศฉลสสุขได้ แต่พอเราได้ฝึกสติฝึกสมาธิจนเราได้ความสุขจากการทําใจให้สงบจากสมาธิแล้วไม่ว่าจะเป็นระดับรูปประชานก็ดีหรืออรูปประชานก็ดีเราก็พร้อมที่จะเลิกเศษกามได้เห็นไพอเราเลิกเศษกรรมได้แล้วขั้นต่อมาก็คือเราต้องมาเลิกเศษ ร, รูปประชานหรือรอรูปประชานเพราะรูปประชานหรืออรูปประชานก็เป็นเหมือนเครื่องมือเท่านั้นเองเราอย่าไปติดกับเครื่องมือ เครื่องมือนี้รูปปั้นเนื้อรูปประชานี้มีไว้เพื่อให้เราละกามาตฐานหาละความอยากจะเสบรูปเสียงกลิ่นลดผดทะพะละความอยากที่จะเสบราบยศเสริญสุขพอเราละการเสบราบยศสเสริญสุขได้แล้วเราก็จะต้องมาเลิกเสบรูปปรั้นเนื้อรูปปรั้นต่อไปเราเราสามารถอยู่เฉยๆได้โดยที่ไม่ต้องเสบรูปปรั้นเราก็จะมีความสุขได้และมีความสุขที่ดีกว่าการเสบรูปปรั้นเนื้อรูปปรั้น ว่าความสุขที่ได้จากรูปประชานหรืออรูปประชานนี้มันก็เป็นความสุขชั่วคราวต้องเข้าไปในฌานถึงจะได้ความสุขพ อ, อามาจากฌานความสุขนั้นก็จะหายไปที่หายไปเพราะมีความอยากจะให้มันสงบต่อไปนั่นเองความอยากให้มันสงบไปตลอดนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจที่จะทําให้ใจไม่มีความสุขถึงแม้ว่าจะ ละกามการมาคุณห้าได้แล้วก็ตา่างแต่ก็ยังมาติดกับความสุขของรูปประชานเลือรูปประชาญอยู่พอรู้ว่าตัวเองทุกข์กับรูปรรรประชาเลือรูปประชาญก็ต้องใช้ตายรักษณ์มาพิจารณาให้เห็นว่ารูปประชาญก็เป็นของไม่เที่ยงอรูปประชาญก็เป็นของไม่เที่ยงถ้าเสพแล้วมันจะติดติดแล้วก็ต้องมาเสพอยู่เรื่อยๆก็ยังจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในรูปภพและอรูปภพต่อไป ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดในรูปะพบเลือรูปะพ บ, พบก็ต้องหยุดความอยากเสพรูปประชาเลือรูปประชา น, ปปชานเหมือนกับการหยุดความอยากเสพการมตัญหาการกามคุณห้าเวลาไม่ได้เสพการมการมคุณห้าแทนที่จะเป็นทุกข์กลับมีความสุขเสอกเพราะไม่ต้องคอยไปหารูปเสียงกิ่นรถมาเสพเยอะเลยอยู่เฉยๆก็มีความสุขได้เช่นเดียวกับรูปประชาเลือรูปประชา ถ้าเรายังติดอยู่เราก็ต้องคอยเข้าฌานอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้เข้าฌานใจก็จะไม่มีความสุขใจก็จะรู้สึกทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราเลืกเลกความอยากจะเสพได้ใจที่อยากอยากจะเสพรูปชานเรื่องรูปาญหายไปได้ปั๊บความอยากหายไปได้ปั๊บความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนั้นก็หายไปใจก็จะกลับมามีความสุขโดยที่ไม่ต้องเสพอะไรเลยไม่ต้องเสพรูปฌานอารูปชาญไม่ต้องเสพกาม รูปเสียงกิจนรสต่างๆใจเสพอยู่กับความว่างเสพความว่างนี้ดีที่สุดเพราะความว่างไม่มีวันเสิ้นสุดไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมด น, นิบานังปรมังศุนยางพระพุทธเจ้าบอกผู้ที่ผู้ที่ได้นิพพานนี้จะเป็นผู้ที่เสพความว่างความว่างเป็นความความว่างนี้เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ไม่มีโทษต่อจิตใจไม่เหมือนกับ กามาคุณห้าไม่เหมือนกับรูปประชานเรือรูปประชานที่มีทั้งคุณและมีทั้งโทษเพราะามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา น, นั่นเองอ น, นี่แหละคือการการพิจารณารมด้วยปัญญาเพื่อที่เราจะได้ตัดความทุกข์ต่างๆที่มีในใจของเราให้หมดสิ้นไปยุติการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการปฏิบัติสติสมาที่ให้ได้รูปประจาน ให้ใจสงบก่อนพอใจสงบแล้วก็เจริญปัญญาได้เอาแสงสว่างแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจได้ก็จะเห็นอริยสัจสี่เห็นใจลัะเห็นภพต่างๆเห็นการมประพบเห็นรูประพบเห็นอรูประพบเห็นเหตุที่พาให้ไปเกิดในการมประพบเหตุที่พาให้ไปเกิดในรูประพบในอรูประพบถ้าต้องการหยุดการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบก็ต้องมาหยุดที่หยุดที่เหตุก็คือกรรม การมตัณหาความอยากจะเสดกางหยุดที่ความอยากจะเสดรูปฌานเรียกว่าภาวะตัณหาแล้วก็หยุดความอยากที่อยากจะเสด็ารูปฌานเรียกว่าวิภาวะตัณหาพอพอใช้ไตรลักษณ์ก็จะสามารถหยุดความอยากเหล่านี้ได้ถ้าเห็นเห็นว่าการมาพบเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ารูปพบเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเห็นเห็นวรูปพบว่าเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงก็หยุดความอยากต่างๆได้ พอหยุดความอยากต่างๆได้ ใ, ใจก็ว่างอยู่กับความว่างอย่างมีความสุขเพราะความว่างนี่เป็นของที่ไม่มีวันดับเปนไม่มีอะไรไม่มีการเกิดไม่มีการดับในความว่างไม่เกิดความว่างไม่ดับความสร้างความว่างก็เป็นความว่างของมันอยู่อย่างนั้นมันไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจไม่เหมือนกับสิ่งที่มีเกิดมีดับการมาพบก็มีเกิดมีดับรูปะพบก็มีเกิดมีดับอรูปะพบก็มีเกิดมีดับ แต่พอละตันหาความอยากได้ใจก็ไปอยู่กับความว่างแทนความว่างนี่แหละเป็นบามังสุขถังเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่กว่าความสุขของสมาธิเพราะเป็นความสุขย่างยืนถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมนิบบาลังบามังสุขถังนิบบาลังปรมังสุญอย่างนี้ผ่านคือความสุขอันยิ่งใหญ่ที่เกิดจากการได้พบกับความ ความว่างอันยิ่งใหญ่ปรมังปรามังสุญญังก็คือความว่างเต็มร้อยไม่มีความอยากอยู่ในใจไม่มีพพต่างๆอยู่ภายในใจต่อไปไมีแต่ความว่างนี่แหละคือใจของพระพุทธเจ้าใจของพาอาระอนันตสาวกที่เกิดจากการปฏิบัติศีลสมาธิและปัญญาขึ้นมาเบื้องต้นก็เริ่มต้นด้วยการฟังเทศทางธรรมศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าต้องมีอะไรบ้าง ตอนนี้ถ้าเรายังไม่มีศีลที่บริสุทธิ์ก็ต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ถ้าเรายังไม่มีสมาธิจิตที่นิ่งสงบในระดับชานเราก็ต้องฝึกสตินั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบให้ได้ก่อนเมื่อใจเรานิ่งเราสงบแล้วเราก็พร้อมที่จะรับธรรมของพระพุทธเจ้าศึกษาธรรมต่างๆพอเราศึกษาธรรมปรั๊เราก็จะเห็นธรรมต่างๆอหล่า น, นี้ปรากฏขึ้นมาในใจทันที อ๋อมันเป็นของที่มีอยู่ในใจทำต่างๆที่พุทธเจ้าเอามาแสดงให้กับพวกเรานี้เป็นธรรมที่มีอยู่ในใจของพวกเราแต่ใจของพวกเรามองไม่เห็นกันเพราะถูกอํานาจของโมหะอาวิชชาความหลงความมืดมันปกปิดเอาไว้พอเราเอาปัญญาคําสอนของพุทธเจ้ามาแสดงมาสอนใจมันก็เข้าไปในใจสอนอริยสัจสีมันก็จะเข้าไปเห็นอริยสัจสี่ที่มีใน ใ, นใจสอนตายรักมันก็จะเห็นนะตายรักที่มีในใจ สอนมรรแปดมันก็จะเห็นมักแที่มีอยู่ในใจมันเห็นมันอยู่ในใจทั้งหมดเมื่อเห็นแล้วก็จะสามารถที่จะเลือกทำในสิ่งที่ควรจะทำได้คือละละการกระทำบาเพื่อปิดประตูบายได้สร้างบุญสร้างกุศลเพื่อขึ้นสวรรค์ชั้นต่างๆได้ชำาะใจให้สะาาอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ก็ได้ไปพนานิพานนี่แหละสิ่งที่จะเกิดขึ้น ตามมาถ้าเรามีการฟังธรรมที่ถูกต้องคือฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบอย่าไปทาอะไรในขณะที่ฟังอย่าไปทานู่นทานี่ร่างกายต้องนั่งอยู่เฉยๆวาจาก็อยากคุยกันแล้วก็ใจก็อย่าไปคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ให้คิดอยู่กับธรรมที่เรากาลังฟังฟังอยู่เท่านั้น ถ้าเราคิดตามได้เราก็จะเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจเกิดสมาธิิฐขึ้นมา mm. ถ้าเรายังคิดตามไม่ทันเราก็อย่างน้อยเราก็จะได้ความสงบได้สมาธิได้ความนิ่ง mm. แล้วเราก็อะกลับมาฟังใหม่ๆฟังไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆต่อไปทำต่างๆเหล่านี้น mm. ที่เรายังเข้าไม่ถึงมันก็จะเข้ามาสู่ใจเราแล้วเราใจของเราก็จะสว่างสวัยด้วยแสงสว่างแห่งธรรม นี่ก็คืออานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นจากการฟังธรรมที่ถูกต้องโดยการฟังธรรมด้วยกายวาจาใจที่สงบแล้วส avenue, ิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังก็จะปรากฏขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องนรกเรื่องของสวรรค์เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของพระนิพพานเรื่องของการยุติการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของมรรคที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการมายุติการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการกําจัด ปัญหาต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปด้วยการเห็นใจรักเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ใจไปอยากไปติดนี้มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเป็นอันนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือขั้นตอนขั้นแรกของการของกระบวนการที่จะนําไปสู่การดุดท้นจากความทุกข์ต่างๆต้องมีการฟังเทศฟังธรรมก่อนเมอได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็จะได้รู้สิ่งต่างๆที่ไม่รู้ไม่เห็นมาก่อนเมื่อรู้แล้วก็จะได้มาสมาทำในสิ่งที่ควรจะทํา มาละในสิ่งที่ควรจะละมาชันะในสิ่งที่ควรจะชำละเมื่อได้ทํากิจที่ควรจะทําแล้วการมรรูุถึงถึงพันนิพพานก็จะไปผลตามมาในที่สุดนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ยอคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรเยหทาวาเลวาหาปุรปารปัลิปุเลินติสากะลัง เอวเมววาอิโตชินังเปตาน낭อุปการปติอิชิตังปชิตังตุมหังคิปเมวสัมมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิโยวิวัชันตุสัพพะรโควินาสตุ มาเตภวัตตวันตรายุสุขิติคาโยโกภวะอภิวาทนาสิลิสะนิจจังวุธาปจายีโนจตารธรรมวาทานเตอายุวโนสุขังหาลาช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่จะสะดวกในการถามตอบคำถามเพราะหลังจากเลิกเราจะต้องขออภัยที่จะไม่สามารถตอบคำถามของท่านได้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เชิญเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาแทนก็ได้อ น, นี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาโต323คนอย u ี่สิบสามคนพระสุชาติไลฟ์สา2 y o อ t หกสิบสองยูทูบด็อวีชี่สิวิทยุออนไลน์สิบสองคลับเฮสผู้รับฟังธรรมหน้ากุฏิหนึ่งร้อยเจ็ดสิบท่านรวมทั้งหมด9 2้า้ยี่สิบสองครับ <c oughs> เชิญถามได้เลย คำถามจากผู้รับฟังหน้ากุติสองคำถามครับคำถามแรกมีหลานถามครับการที่เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะทิ้งลูกและภรรยาเจ้าชายท่านเป็นบาปหรือไม่ครับไม่ได้บาปไม่ได้ทิ้งคือฝากคนเข้าไว้ก่อนต้องไปศึกษาต่อมืนสมัยนี้บางทีเราต้องไปต่างประเทศไปเรียนต่อเราก็ฝากลูกฝากเมียฝากผัวฝากใครไว้ แล้วพอเราเสร็จหน้าที่เราก็กลับมาหาเขาใหม่พระพุทธเจ้าก็ไปศึกษาปฏิบัติ ธ, ธรรมอยู่หกปีด้วยกันพอท่านสําเร็จแล้วท่านก็กลับมาหาลูกหาเมียแล้วก็พาลูกเมียไปบวชต่อได้เป็นมันมันมันลูกเป็นพระอรหันต์ตามหรือ่าต่อไปคําถามที่สองการจัดงานสดงานศพสวดอภิธรรมให้อมามาอาม่าจะได้บุญหรือไม่ครับ อา마จะไม่ได้บุญจากการฟังเพราะว่าอา마ตายไปแล้วฟังไม่ได้แต่อา마จะได้บุญจากญาติโยมที่ทําบุญให้อะขับอา마อุทิศบุญนี้อามาจะได้รับบุญที่ที่อุทิศไปแต่ถ้าอยากจะได้บุญจากการฟังธรรมต้องฟังตอนที่ยังไม่ตายเช่นตอนนี้คนเป็นคนจะฟังธรรมกันเพราะตายแล้วฟังไม่รู้เรื่องคําถามจากทาง Facebook YouTube ครับคุณบ SI คนที่มีบุญได้มาพบพระพุทธศาสนาและได้บวชทั้งชายและหญิงแต่กลับทาไม่ดีผิดพินัยผิดธรรมเป็นบุญอะไรของเขาที่ได้บวชและเป็นบาปกรรมอะไรของาศาสนาที่มีคนแบบนี้และส่งผลให้ชาวพุทธเกิดศัดทธาสันคลอนครับก็คนที่มาสนใจพระพุทธศาสนาก็มีหลายประเภทด้วยกันคนที่ดีจริงๆก็มีคนที่ดีไม่ไ ม, ไม่ไม่จริงก็มี มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ใช่เป็นกรรมของศาสนาแต่อย่างใดมันเป็นกรรมของบุคคลมากกว่าคนที่เขามีบุญเขาก็เป็นคนที่มีกรรมดีเขาก็มามาบวชมาได้บรรลุธรรมจากพระพุทธศาสนาคนที่มีกรรมไม่ดีมาบวชก็ไม่ได้บรรลุธรรมลาสิขาวออไปหรือมาสร้างความเสียหายให้กับพระศาสนาแต่พระศาสนานี้ไม่มีวันเสื่อมจากการกระทำของใครทั้งสิน้น าคำสอนนี้เป็นอาการลิโกเป็นของที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีใครลบทิ้งได้เพียงแต่ว่าผู้ที่จะเ อ, เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นี้สามารถทำได้หรือไม่เท่านั้นเองคำถามต่อไปจากคุณพีระกราบเรียนถามพระอาจารย์เรื่องการออกจากสมาธิที่ควรปฏิบัติครับในกรณีของผมจะออกจากสมาธิเมื่อนั่งแล้วไม่สามารถกาหนดสติ ให้อยู่กับคำบริกรรมได้บางครั้งนั่นจนนั่งจนเจ็บต้องลุกเปลี่ยนอริยาบทครับก็แสดงว่าเราหมดกำลังก็ออกมาพักผ่อนก่อนแล้วก็มาเจริญสติต่อเดินจงกรมเจริญสติด้วยการเดินจงกรมหรือไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ให้มีสติอยู่กับการทำงานของเราแล้วพอเราพร้อมที่จะมีกำลังกลับไปนั่งสมาธิใหม่แล้วก็กลับเข้าไปนั่งใหม่ต้องทาอย่างนี้ไปก่อน แล้วค่อยๆเพิ่มกำลังของสติให้มากขึ้นมากขึ้นเมื่อสติมีกำลังมากขึ้นก็จะนั่งได้นานขึ้นสงบได้ลึกขึ้นดังนั้นอย่าทิ้งสติไม่ว่าจะเวลานั่งหรือไม่ได้นั่งก็าตามเวลาออกจากสมาธิมาก็ต้องเจริญสติต่อพุทโธต่อไปหรือเฝ้าดูการทำงานของร่างกายในเรียบุตรต่างๆคำถามต่อไปจากคุณปริจตภา ที่พระอาจารย์บอกว่าติดในรูปปฌานอารูปประฌานเพราะติดในความสุขทําให้เข้าใจว่าไม่ออกมาเจริญปัญญาใช่ไหมครับจะว่าอย่างนั้นก็ได้คือความสุขของชามนมันวิเศษ่มันก็เลยทําให้ติดได้แต่ไม่รู้ว่าความสุขของการของพระนิพพานนี่วิเศษกว่า <S S S S แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปอย่างไรถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสโล ก, ก็จะติดอยู่ที่รูปปรนะฌานอรูปประฌาน เหมือนครูบาอาจารย์ที่ผู้เจ้าไปศึกษาท่านก็ได้รูปประชานรูปประชานแต่ท่านไม่รู้ปัญญาวิธีที่จะทําให้จิตนี้มีความสุขตลอดเวลาว่าเกิดจากการที่เราต้องทําลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจนะก็ ย, ยังรักษาความอยากในรูปประชานอยากในรูปประชานอยู่ก็เลยติดอยู่ในในรูปในรูปปมใรูปปมไปเรื่อยๆแต่พอพระเจ้ามาตัดสินก็เห็นโทษของความอยาก เห็นโทษของฌานว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วค่าวถ้าอยากจะได้ความสุขที่ถาวรยั่งยืนปราศจากความทุกข์ก็ต้องละความอยากต่างๆให้หมดไปพอละความอยากได้ความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่ในใจก็หายไปหมดใจก็มีความสุขตเต็มร้อยโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในรูปฌานหรือรูปฌานอีกต่อไปจะเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้เป็นของแถมครับ ชาญมนของแถมพระพุทธเจ้าบางทีก็ยังเข้าชาญอยู่เวลาที่ท่านต้องการความสงบเป็นที่พระอาหารครูบาอาจารย์ท่านก็ท่านก็ยังเข้าชาญอยู่แต่ท่านไม่เข้าชาญท่านก็ไม่เดือดร้อนไม่ เ, เ, เหมือนขนมเป็นของของแถมนี้กินของหวานนี้จะกินก็ได้ไม่กินก็ได้ถ้ามีก็กิกนไม่มีก็ไม่กินก็ได้แต่มีมีอาหารหลักอยู่แล้วก็คือพระนิพพาน คำถามต่อไปจากคุณนุพงศ์ตอนผมเข้าสมาธิคําบริกรรมพุทโธหายไปเกิดความว่างผมต้องไปต่อแบบไหนครับขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายครับถ้าว่างจริงๆก็ไม่ต้องไปไหนละเพราะนั่นคือจุดหมายปลายทางของการนั่งสมาธิให้ใจว่างใจสงบปราศจากความคิดปรุงแต่งต่างๆให้ใจนิ่งแล้วก็เกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าถึงจุดนั้นแล้วก็พยายามรักษามันด้วยสติ ประคับประคองไว้อย่าให้ใจถอนออกมาเร็วเกินกว่าเหตุถ้า mm hmm. ยังไม่มีความจําเป็นจะต้องออกมาก็าพยายามรักษาให้มันอยู่ในนั้นให้นา น, านแต่ถ้าถ้าเป็นความจริงแล้วถ้าไปถึงจุดนั้นแล้วก็ไม่อยากจะออกไปไหนแล้วล่ะเพราะมันมีความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อน mm hmm. คําถามต่อไปจากคุณนาวินปฏิบัติธรรมตามแบบกรรมฐานน้ําเย็นจิตไปถึงความว่างใช่นิพพานไหมครับ จะต้องปฏิบัติต่ออย่างไรเพราะความว่างก็ยังเสื่อมอยู่ครับ อ, อ๋อก็ต้องไปสอนคนสอนต้องไปถามคนสอนเนี่ยเราไม่ได้สอนเรื่องน้ําเย็นเรงพูดไม่ได้แถ้าเกิดไม่มีน้ําเย็นจะทํางไงก็ไปไม่ได้สิใช่ไหมถ้าต้องใช้น้ําเย็นทาไปถ้ากิไม่มีน้ําเย็นจะทําังไงพระพุทธเจ้าสอนให้ใช้น้ําเย็นว่า <laughs> คิดกันบ้างนะฟังอะไรแล้วต้องฟังหูไว้หูอ อ, อย่าไปเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เจ้า บ, บอกว่า เ, เอาไปพิสูจน์ดูก่อนว่าสิ่งที่เขพูดนั้นเป็นคนเป็นทอดจริงหรือไม่จริงอย่างไรถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็อย่าไปเชื่ อ, อ, อถ้าพิสูจน์ได้ว่าเอาเป็นจริงก็เอามาใช้ได้แต่เราต้องมีความเฉลียวบ้างไม่ใช่ฉลาดอย่างเดียวไม่เฉลียวแล้วเกิดว่าถ้าไม่มีไม่มีน้ําเย็นจะทำยังไง คำถามต่อไปจากคุณเพียงพิษราคานุัยปฏิคานุัยและอวิชานุัยมีความหมายว่าอย่างไรและนํามาใช้ในการปฏิบัติธรรมได้อย่างไรครับอ๋อมันเป็นของฝังอยู่ในในใจเป็นนิสัยไงฝังอยู่ในใจความลงฝังอยู่ในใจเห็นอะไรเห็นว่าเป็นสุขเป็นนิจังสุขขังอัตตาอยู่เนี่ยอวิชชาเาใช้ปัญญาแก้ต้องสอนว่าทุกอย่างเป็นนิจังทุกขังอัตตาไม่ใช่นิจังสุ ข, ขังอัตตา คนสัญนใหญ่จะเห็นเงินเป็นสุขขังนี่นไหมพอเห็นเงินปั๊บอยากจะได้กันขึ้นมา ท, าทันทีเห็นลาบยศเสรเสรินอยากได้กันทันทีนี่เป็นพราะมีนุสัยอวิชานุสัยอยู่ในใจใต้องเอาปัญญามาแก้ต้องสอนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเวลามันเสื่อมว่าจะทําให้ใจทุกข์มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เป็นของเราเราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ก็จะแก้นุสัยเหล่านี้ได้ คำถามต่อไปจากคุณปรารีชาทำเพื่อให้จิตสงบให้ได้ก่อนเพื่อทำวิปัสนาแล้วการที่โยมไม่ไปด่าตอบใครเพราะมันไม่ดีถือว่าอยู่ในอริยสัจ4ี่ไหมครับคือการการว่าพูดนี้มันไม่เป็นสิ่งที่ควรจะทำสาหรับผู้ที่บำเพนเน็ญ การว่าผู้อื่นเป็นการทำร้ายผู้อื่นนี้อนุปาวา دو ะนี่เป็นสิ่งที่ผู้เจ้าทรงสอนพระนักบวชว่าไม่ควรที่จะไปมีเรื่องมีราวกับใครอย่าไปทะเลาะวิวาดกับใครคำถามต่อไปจากคุณดวงเดือนถ้าพระใช้ให้เก็บผักเก็บผลไม้จากต้นจะผิดไหมครับคือการใช้ต้องใช้โมหานใช้โดยตรงไม่ได้ ต้องบอกว่าผลไม้าาอันนี้มันพร้อมที่จะยาไปถวายพระแล้วนะยนิ้บอกเขาได้แล้วถ้าเขาฉลาศเขาก็จะไปเก็บแล้วก็เอามาถวายพระได้แต่ไปสั่งโดยตรงนี้ถือว่าไปสั่งอไปให้เขาไปทําลายของเหมือนกับห้ามห้ามสั่งให้ญาติโยมไปตัดต้นไม้ให้ให้เพราะสมัยก่อนก็ถือว่าต้นไม้ก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตพระตัดไม่ได้สั่งให้เขาตัดก็ไม่ได้ แต่ถ้าใช้วาโหหารใช้ใช้อุบายวิธวิธีพูดพูดได้ว่ า, ากิ่งไม้ตอนนี้มันมาเกะกะขวางขา ง, งทางนะอเงี้แล้วถ้าญาติโยมฟังแล้วฉลาดหรือว่าต้องการทำทำอะไรเขาก็ทําไปตามความคิดของเขาอย่างนี้ก็ไม่ผิด <Yeah. S 1> แต่ถ้าสั่งว่าให้ตัดกิ่งนั้นกิ่งนี้ถือว่าผิดนมันก็สั่งให้เขาไปฆ่าสัตว์อย่างี้ยก็ผิดแต่ถ้าไม่ได้สั่งว่าสัตว์มันเป็นมั น, ม, นมันเป็นตัวที่มาคอยรังควานคอยสร้างความเดือดร้อนให้กับพระนะ เขาก็จะจับมันไปปล่อยก็ได้ถามหมดแล้วครับหมดแล้วนะใครอยากจะถามอะไรไหมเจิญถามได้นะยังมีเวลาอยู่บ้างพอสมคว ร, รการถามปัญหานี่ก็เป็นการทำบุญให้กับผู้ด้วยเพราะบางคนเขาไม่กล้าถามเขาอายเขาไม่อยากจะถามเราอยากจะรู้เราก็ถาม เราจะได้รู้ด้วยว่าคําตอบเป็นอย่างไรการศึกษานี้ต้องถามนะมสิ่งใดที่เราไม่เข้าใจไม่ได้แสดงว่าเราโง่คือถ้าเราฉลาดเราก็ไม่มาเรียนอยู่แล้วคนที่มาเรียนก็ต้องถือว่าโง่โด้วยกันทุกคนนะถึงเร mm ื่องจงมาเรียนแต่คนโง่แบบนี้ถือว่าเป็นคนที่จะฉลาดได้นะท่านมีมีคําพูดว่าคนที่คิดว่าตนเองฉลาดนั้นะคือคนโง่ที่แท้จริงเพราะเมื่อคิดว่าตนเองฉลาดแล้วก็จะไม่สนใจที่จะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติม แต่คนที่คิดว่าตนเองยังง่ออยู่คนนั้นแหละ ย, ย, ยังมีโอกาสที่จะเป็นคนฉลาดได้ <c oughs> งานั้นอย่าไปอายกับความที่เรายังไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะไม่เป็นไปไม่ได้ที่เราจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ไม่ต้องมาศึกษาแล้วเราก็ไปเป็นอาจารย์ต่อได้แนละ้ว <c oughs> มีคําถามเข้ามาครับจากคุณเปียสผมยังไม่เข้าใจความหมายของคําว่างูแลบลิ้นและช้างกระดิกหูครับ เอาแป๊บเดียวไงเดี๋ยวเดียวสมัยก่อนก็ไม่มีวินาทีเก็ไม่พูดแต่ก็แค่ชื่อ ว, วินาทีหนึ่งก็ เ, เลยก็เชื่อชื่อมูราบเรื่อเชื่อชื่อช้างกขาเด็กขู่หรือช่วงฟ้าแลบอย่างนี้เป็นต้นก็สมาธิขั้นแรกมันจะเป็นอย่างนี้จิตสงบได้แว บ, บเดียวแล้วมันก็จะถอนออกมา ท, าทันทีเรียกว่าคณิกะสมาธิ <c oughs> คําถามต่อไปจากคุณวิพรรัรต หากเราต้องทำงานด่วนทำงานในวันหยุดไม่ได้พักผ่อนเป็นเพราะองค์กรของเราไม่ดีหรือแบ่งเวลาไม่ถูกหรือเป็นเพราะว่าความกังวลปล่อยวางการงานไม่ได้ครับหรือเพราะว่ากิเลสหรือว่าความขี้เกียจครับไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้มันมันมีหลายสายเหตุที่ทำให้ต้องตามปกติแล้วเขาก็ต้องมีวันหยุดกันใช่ ไ, ไหมทางานแล้วมันร่างกายมันก็เมื่อย มันก็เหนื่อยเมื่อยแล้วมันก็จะต้องมีเวลาพักผ่อนเป็นปกติแต่ถ้ามีในช่วงไหนที่มันจำเป็นจะต้องทำอย่างต่อเนื่องเป็นเป็นเฉพาะการก็ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าทำอย่างนี้ไปตลอดก็อย่าไปทำดีกว่าตายได้เงินเดือนมาก็ไม่ไม่สามารถเราไปใช้ทาอะไรได้แล้วไปทำทำไมเราทำเพื่อหาความสุขเรายอมทุกขกับการทำงานเพื่อเราจะได้มีเวลาวันหยุดไปหาความสุขจากผลงานที่เราได้ทามา คำถามต่อไปจากคุณบ s i ตอนนี้ติดการฟังธรรมมากฟังแล้วฉลาดขึ้นมีความเห็นที่ถูกต้องพร้อมกับภาวนาไปด้วยครับไม่เคยถึงขั้นจิตรวมแต่ก็มีความสงบนะตอนนี้ติดอาการสุขสงบจากการฟังธรรมและภาวนาต้องทาเพิ่มเติมหรือแก้ไขตรงไหนครับก็ลองฟังฟังธรรมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งเลิกนั่งนั่งต่อเปิดเสียงธรรมแล้วก็มาดูลมหายใจเขา้า เพราะว่าความสงบจากการฟังธรรมนี้มันยังไม่ลึกเท่ากับการการดูลมหายใจเข้าออกถ้าดูลมหายใจเข้าออกได้จิตจะดิ่งเข้าสู่ฌานเต็มที่เลยการฟังธรรมนี้ก็ยังอยู่ในปากประตูฌานอยู่ยังไม่เข้าถึงฌานโดยตรงถ้าอยากจะให้เข้าถึงฌานสี่นี้จะเวลาหยุดฟังธรรมแล้วก็นั่งต่อไปนั่งดูลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือบริกรรมพุทโธต่อไปก็ได้แล้วใจก็จะดิ่งเข้าไป จนถึงชานเต็มรูปแบบเลยคำถามต่อไปจากคุณโอเวลาที่เห็นความโลภความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมีความหมงุดหงิดรำคาญใจลูกควรปฏิบัติอย่างไรครับเบื้องต้นก็ใช้สติหยุดมันก่อนก็ได้ใช้คำบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปหรือสวดมนต์ไปก็ได้สวดไปบริกรรมไปจนกว่าความฟุ้งซ่านจะสงบตัวลงแล้วขั้นต่อไปก็ใช้ปัญญาสอนใจ ว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเนะี่ย <Yeah. S 1> อย่าไปอยากดีกว่าอยากได้มาแล้วมันจะทุกขนะ์เนี่ยเพราะมันจะเปลี่ยนไปมันจะเสื่อมมันจะดับถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากได้มันเราก็จะหยุดความอยากความฟุ้งซ่านได้คําถามต่อไปจากคุณภารีช่วงนี้ฟุ้งซ่านมากครับ สามารถนับลูกประคำได้ไหมครับเพราะชอบรู้สึกจิตสงบและมีความสุขครับได้วิธีไหนก็ได้ที่ทำจิตให้หายฟุ้งซ่านได้แต่เป็นเครื่องเดียวคือสงบแบบชั่วคราวถ้าจะสงบแบบถาวรก็ต้องใช้ปัญญาต่อพิจารณาสิ่งที่เราอยากได้ว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราก็จะไม่อยากได้เมื่อเราไม่อยากได้แล้วความฟุ้งซ่านก็จะหายไปอย่างถาวรคาถามต่อไปจากคุณสาิวิมลเราคือจิต ถ้าเราตายไปสิ่งที่เหลืออยู่คือจิตใช่ไหมครับความจริงจิตไม่ใช่เราหรอกอเราเราไปสมมติว่าจิตเป็นเราความจริงจิตนี้เป็นธาตุรู้ที่ไม่มีวันตายไม่มีวันแก่วันเจ็บวันตายจิตนี้มีความสามารถที่จะรู้สึกนึกคิดได้จําได้หมายรู้จําอดีตได้จำอะไรได้คิดได้มีความรู้สึกกับสิ่งต่างๆได้นี่คือความสามารถของธาตุรู้แต่ธาตุรู้นี้ไม่มีตัวตนไม่มีเราอยู่ในธาตุรู้ เพียงแต่ว่าธารู้นี้ถูกกิเลสโมหะหลอกให้สร้างตั ว, ต, วตัวตนสร้างตัวเราขึ้นมาในธาตุรู้ทั้งเองมันเป็นนิยายเป็นตัวแสดงในนิยายเหล่านี้เป็นตัวแสดงในนิยายตัวจริงไม่มีตัวจริงคือธาตุรู้ตัวจริงก็คือผู้เขียนนิยายคือความคิดปรุงแต่งคำถามต่อไปจากคุณนัท หากนั่งสมาธิจิตรวมดีแล้วแต่เกิดอาการปวดเมื่อยขึ้นมาควรทำอย่างไรครับใจยังอยากนั่งต่อแต่ร่างกายก็อยากจะเปลี่ยนท่าให้สบายขึ้นครับ ถ, ถ้าจิตรวมจริงๆจะไม่มีความรู้สึกเจ็บกับอาการเจ็บของร่างกายจะไม่มีความรู้สึกอยากจะลุกไม่มีความรู้สึกอยากจะให้ความเจ็บหายไปเพราะจิตจะอยู่กับความเจ็บนั้นได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนแสดงว่าจิตยังไม่สงบเต็มที่ตอนนั้นต้องใช้ใชคาบริกรรมต่อไป ถ้าเกิดความอยากเมื่อไหร่แสดงว่าจิตไม่สงบนะอยากจะลุกขึ้นมานี้อยากจะให้ความเจ็บหายไปนี่แสดงว่าเกิดความอยากนะเกิดความคิดใจไม่นิ่งนะ ต, งต้องทําให้มันนิ่งด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปคําถามจากคุณนุพงศ์ผมจะสามารถรักษาความว่างไว้ยังไงให้ได้นานครับด้วยสติไงให้มีสติอยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับพุโทโธก็ได้น้ำความว่างมันก็จะอยู่ไปเรื่อยๆ